โอากาสนี้คณะท่านพระตุบริษัทธ์ได้พากันสมาทานพรระัฒนาัยแล้วต่อ น, นี้ไปก็เป็นโอากาสที่จะสะดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐาน <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระนาคามีมักต่อ เมื่อวันนี้เราได้พูดกันถึงการระงับหรือตัดอารมณ์ของราคะหรือกรรมมาชันทะเรื่อความพอใจในกรรมการที่จะทำลายการรมมาชันทะได้ก็ต้องอาศัยเหตุสมดการร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสมถะ ภ, ภาวนาก็ต้องใช้กายกตานุสติ พิจารณาร่างกายปัญญาการ32โมกข์กรรมสุภกรรมถานเป็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลเองก็ดีมีแต่ความสกปรกเป็นของไม่น่ารักเป็นที่น่ารังเกียจนี่เป็นด้านสมถภาวนาให้ด้านวิปัสสนาภาวนาก็บวกเข้ามา เห็ว่าร่างกายนอกจากจะเป็นของสกปรกเป็นของไม่น่ารักเป็นของที่น่ารังเกียจแล้วเพมันก็เป็นปันใจจัยแห่งความไม่เที่ยงเพราะตัวมันไม่เที่ยงเพราะอะไรมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เสื่อมไปแรรป ร, รปรวนแปรปวนไปเป็นปกติอยู่เสมอร้อยรอยไปทุกวันถ้าในสุดก็มีการสลายตัว การที่เอาจิตเข้าไปยึดร่างกายเป็นของสะอาด ร, ร่างกายเป็นของสวยร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะว่าสภาวะของร่างกายมันสกปรกสภาวะของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงสภาวะของร่างกายมีการสลายตัวเป็นที่สดุด ปัญหาสภาพที่เป็นเราเป็นคกเราไม่ได้ร่างกายคือธาตุสี่และก็ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าเป็นตัวแล้วก็มีอากาศสาศือธาตุบรรจุช่องว่างมีวิญญาณธาตุรับรู้ในการสัมผัสเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิต จิตอาศัยกายทรงอยู่ขณะใดที่กายทรงอยู่ขณะนั้นจิตก็ยังอาศัยอยู่แล้วจิตเป็นผู้บัญชาการทางด้านประศาทให้ร่างกายทําให้ร่างกายพูดตามกําลังของจิตที่สั่งในเมื่อร่างกายทําไปแล้วจิตก็ต้องหาชาติหาภพเป็นที่เกิดต่อไปถ้ายังไม่สิงนจิตเลย มีการหาชาติหาพบเป็นดีเกิดใหม่หรือว่าเกิดมาแล้วก็ดีไม่มีอะไรเป็นสุขมันเป็นเหตุนํามาซึ่งความทุกข์ถ้าความผูกพันในร่างกายมีมากเพียงใดเราก็มีความทุกข์มากเพียงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรามักเอาจิตเข้ า, ายึดกายเป็นกําลังตอนนี้แล้วก็ ถ้าว่าเราเห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราสภาวะร่างกายเป็นของสกปรกจิตก็ตกจิตก็ตัดจากการมฐันะความพอใจในเพศสิได้นี่เราพูดกันเป็นคำแนะนำเป็นแนวทางเท่านั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าถึงความจริงยาสักจะบอกฟังฟังแล้วก็ปล่อยให้เลยไป จิตของเราที่ยู่วาจาของเราที่เสียกายของเราที่ไม่สมรวมก็เข้ า, ข า, เาสายจิตไม่ดีไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สัญญาสัญญาจําไม่แค่นี้ทําจิตให้เป็นสมาธิปัญญาไปเกิดปัญญาเขาพิจารณาเห็นเห็นคนเมื่อไรเห็นสัตว์เมื่อไรมีความรู้สึกทันที ว่าส่วนในร่างกายของคนแลสัตว์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสปกปรกความผูกพันความกสัญญนอยากจะได้ควาสนาจะสัมผัสไม่มีในจิตให้จิตมันทรงจิตภาพเช่นนี้เห็นคนมัน ก, ก็เห็นซากศพเห็นคนมันก็เห็นของนอเน่าเปื่อยเห็นคนเขามันกเห็นกับว่าสิ่งที่เขามาันจุอุจาระปัสสาวะไว้เต็ม เท่านี้จิตก็จะมีความอังเวทเมื่อมันเป็นของสกปรกมันก็เป็นของไม่เที่ยงไม่อนัตตาจะสลายตัวไปในที่สุดจิตก็มายึดมั่นถือมั่นไม่ปลกปันในรูปกายใดๆทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะไม่มีชีวิตตัวตามคือมันไม่เป็นสาระเอเมนมีเป็นกัสารมันมีแต่ความสกปรก เรื่องปรนดับที่แต่งกายเป็นของหลอกลวงไม่ใช่มีอะไรดีผ้าคนท่านสบายหามาแล้วอย่างดีสีสดสวยเดียวก็สุกสว์ผ้าจริงนี่ก็สะอาดนั้นก็สกปรกก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะใช้จ ะ, ใชจะสวมกายก็ต้องชำระล้างสวมแล้วก็จะเก็บจะใช้ใหม่ก็ต้องซักต้องซักต้องผอกนีนแ่แสดงว่ามันสกปรก เรื่อนต่างๆก็คอยปัดคอยสีคอยเก่าทําลายเสิ่งสกปรกอยู่เสมอนี่อะไรมันก็นขอสะอาดเป็นอันมวัตถุคนดีสิ่งที่มีชีวิตคนดีมันก็ขอไม่สะอาดทั้งหมดจิตคิดอย่างนี้ให้มันเป็นปกติจิตมันจะใส่ความรักเป็นได้ไอความรักที่ไม่นเกิดเราเข้าใจว่ามันดีเข้าใจว่ามันสวยเข้าใจว่ามันสะอาด อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของตัณหาเรื่องปลายายภูมิมีนรกเป็นตน้น <c oughs> นี่พระทุกองค์เนนทุกองค์เทวว่าทุกท่านจงทําจิตอย่างนี้เป็นปกติจะสังเกตไว้ว่าใครสนใจหรือไม่สนใจคนที่สนใจเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับคนลอื่นเพราะอะไร เพราะต้องดูตัวเสมอว่าเรามีจุดบกพ้องตรงไหนอย่าปล่อยให้กิเลสมันล้นจากใจถ้าจะเลวก็เลวอยู่แค่ในใจความรักจะเพิ่งเกิดขึ้นในเพศก็มัอยู่แค่ใจอย่าให้มันไหลมาทางตาอย่ามันไหลมาทางปากอย่ามันไหลมาทางกายอย่างนี้เรียกว่าขังรักเพียงแค่แปลงกําลังของสมาธิเป็นสมถะภาวนา แต่ทำลายอารมณ์รักภายในใจซึ้นได้มีเป็นอารมณ์ของมิปัสสนาญาณเขาทำกันอย่างนี้นะมีอารมณ์ให้ทรงอยู่เป็นปกติความมีระเบียบอินไนเป็นของสาคัญคนที่เลวย่อมไม่รักษาระเบียบอินไนไม่จำคำสั่งและคำสอน คือคนใดก็ตามต้องมีอาการเตือนกันอยู่เสมอเสมอนั่นจงรู้ตัวเลวเกินไปสําหรับการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการเป็นมนุษย์เรามาจากความดีมาจากทานมาจากศีลมาจากภาวนาแต่มาถึงความเป็นมนุษย์แล้วทําเป็นคนไรศีลไรทานไรภาวนาคือการเจริญปัญญา ก็แสแดงว่าเรากลับเป็นสัตว์ว่าไบายาภูมิใหม่กายเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์กายเป็นคนแต่ใจเป็นเปรตนี่เป็นวิสัยของคนที่ไม่รักดีไม่รักงามนี่เราฟังทำกันมาถึงขั้นความเป็นอริยะแต่ว่าจิตใจของเรายังตกเป็นท่าของอาบัยะภูมิอยู่รู้สึกว่าจะเร็วมากเกินไป ที่กล่าวอย่างนี้ไม่เฉยดาเป็นการแนะนําตามที่เขาปฏิบัติกันมาเขาทํำกันอย่างนี้อัตนาโจตยัติานหลัง <c oughs> ยุ่งกล่าวโทษโจยความผิดของตัวไว้เสมอจะไปยุ่งกับคนอื่นคตินี้นักปฏิบัติทุกคนเขาจะเบระนนามตัวเองเขาไว้เสมออารมณ์เป็นยุ่งอยู่กับการมราคะนิดหนึ่งวันนี้เราพูดกันเรื่องการมาราคะ เขาจะเป็นนามว่าเ็วทันทีขออะไรก็ดีจะชมว่าสวยชมว่างามารู้สึกกามาเขไม่รู้สึกว่าใจมีเหล่าเลวชเชลลุลินี่แค่นี้เขาตนํนมีเราแล้วเขาตนมีตัวเขาแล้วแล้วยิ่งไปเพ่งโทษของบุคคลอื่นไปสนแสดงอารมณ์อิจฉาและสัญญาบุคคลอื่นทําให้บุคคลนี้รับเล่เรารา้อน นั่งกินแสดงว่ากิเลสมันไหลามาทางกายและทางวาจามันล้นจากใจมันเร็วเกินที่จะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่เราต้องบรร nam อย่างนี้แล้วทานที่ไปจะไปไหนเป็นสัตว์เลี้ยฉานก็ยังเป็นไม่ได้ต้องไปขึ้นต้นมาจากไตรกมันไม่เหมาะสําหรับเรานี่เราต้องบรร n ามตัวเป็นปกติอย่าที่บรร n ามของอื่นเขา เรืองราวต่างๆที่มันมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็เพราะความเร็วของจิตเพราะเราขาดการสํารวมเราขาดการละมัดนระวังให้การที่ทําความช่วยเกิดทำความเดือดร้อนให้เกิดกับเพื่นี้มันเป็นวิสัยของท่านโลลุธาหิยุทธวเทวทัตไม่ใช่ของคนปกติธรรมดาและไม่ใช่ของพระที่เป็นแสงกิจบุตรพุทธที่โนรด อันนี้เจ้าต้องจึงจำไว้เสมอจำไว้จำและก็จงอย่าทําความเร็วจงอย่าคิดความเร็วนี่เป็นเรื่องของอนนาคามีมรรคข้อแรกมาถึงอนนาคามีมรรคข้อที่สองตรงนี้ท่านบอกว่าตัดปฏิฆะคำว่าปฏิฆะนี่มั น, นหมายถึงความโกรธความพยาบาท เรื่องความโกรธความพยายามบัตันเป็นเรื่องของพัสกิทาคามีที่บรร เ, เทาบรรเทาความโกรธบรรเทาความพยายบาตัติคิดให้อภัยทานความโกรธเกิดขึ้นความปยาบาตัติจองล้างจองผ่านจองเวียนจองกรรมเกิดขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาคิดให้อภัยแก่บคุคคลผู้ทำความผิด ให้อภัยกับคนที่ว่าเราให้อภัยกับคนที่ด่าเราให้อภัยกักคนที่กล่งแกร้งเราอารมณ์จิตก็มีความสุขเช่น <c oughs> ราคะนาคามีพระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดว่าตัดตัดความโกรธตัดความเส้ยหยันให้ตัดปฏิพะปาฏิพะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจเข้ามากระทบจิตอารมณ์ใดก็ตาม ที่คนก็หาทางแกล้งในทางกายบ้างแสดงในทางกายบ้างแสดงในทางวาจาบ้างแสดงในทางนิมิตบ้างอันเป็นที่ไม่ชอบใจเราทางวาจาก็ได้แ็นลินทาว่ า, าร้ายเสียสีต่างๆทางกายก็จะได้แกการประทุษร้ายร่างกายบ้างแสดงการออกทางร่างกายว่างบ้างเป็เราเลว นี่ว่แสดงนิมิตต่างๆที่การเขียนหน้าสีทำรูปลักษณะเปรียบเทียบอย่างนี้เป็นต้นเป็นที่ไม่ชอบใจเราคำว่าไม่ชอบอาการทั้งหมดนิดหนึ่งในหลวเขขงเขาก็นาคามีจะไม่มีเลยไม่ถึงไม่ถึงกับโกรธไม่ใช่ถึงกับโกรธแต่ก็นาคามีตัดอารมณ์ที่ไม่พอใจ อารมณ์ที่ไม่พอใจในด้านของที่เลยแต่ว่าไม่พอใจโดยธรรมนี่มีหมายความว่าพระองค์นี้เนนองค์นี้ระวาตคนนั้นไม่ปฏิบัติอยู่ในศีราจารวัตไม่เป็นที่ถูกต้องอย่างนี้ไม่พอใจไม่สังคมสมาคมด้วยอย่างนี้เป็นการสมควร ไม่ถือว่าเป็นปฏิฆาในข้อนี้รือวิสุสธิมณเฑนไม่มีศีราจารวัตก็เป็นสัตว์ในนรกเสียแล้วนี่เรื่องอะไรที่เราเป็นผู้มีศีราจารวัตจะไปพบหาสมาคมด้วยนี่ไม่ใช่หน่ายความโกรธคนย่ำบตดฝ้าสายความเคารพในธรรมตอนนี้สำหรับพอนานาคามีตัดปฏิฆาคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบจิต อรทบเพื่อความไม่พอใจให้ตัวแรกกตัดการมาฉันทะอารมณ์ที่พอใจอยากจะได้เข้ามาตัวปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจถ้ามากระทบทำใจให้เราร้อนนี่การที่จะตัดปฏิฆะทำย่างไงเราก็รกวบรวมกาลังพมมีหานศีลพรรมพยาธา น, นั่นเอง ความจริงพอมีหารศีนี้เรามีกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเจอมากรรมฐานก่อนการที่นักปฏิบัติสมถกรรมฐา น, านมิปเสนากรรมฐานจะมีความดีทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพอมีหารศีนักปฏิบัติจริงๆขั้นเร็วที่สุดเขามีพอมีหารศีนีพวกเรามีใครบ้างไหม ในอดีตใกลก้ก็ดีไกลก็ดีที่ขาดพร ม, มวิหารสี่มีอารมณ์คิดเป็นศัตรูกับคนอื่นคิดทำลายล้างบุคคลอื่นคิดอิจฉารืสิยาบุคคลอื่นแล้วคิดลงโทษนี่บอกแล้วคิดซ้ำเติมในความผิดเขาบุคคลอื่นมีบ้างาั้ย ในอดีตเริ่มตั้งแต่ย่างเข้ามาสู่สำนักนี้ถ้ารู้จุดไหนมีบ้างมา้าถ้ามีอยู่ไม่รู้ตัวว่ามีนี่เรลวมากหมายถึงว่าเป็นที่ไปทางเวจีมหารกถ้าขณะใดเรารู้อยู่ว่ามีในการนั้นเพีงรู้ว่านี่เราเป็นสัตว์นรกเสียแล้วไม่ใช่แดงขอออริยะหรือไม่ได้แดงข้อสสมนะิะ ไม่เ็นดดงก็าก็สงในพระพุทธศาสนานี่ความจริงพรมีหางสีนี้เราศึกษากันตั้งแต่ต้นถ้าไม่มีในใจก็จแสดงว่าเลวเกินไปสำหรับความเป็นมนุษย์นก่ก็เลวเกินไปที่จะต้องเกิดเป็นสัตว์แอสุรกายและเป็นเปรตช่วงที่อยู่เคือเวจีมาหาารก เตือนใจเตือนตัวให้รู้ตัวไว้ความเร็วประเภทนี้ไม่มีสังคมใดเขต้องการมีความรู้สึกอย่างนี้ต้องมีอยู่กับเราเสมอถ้าเรามีรมแค่พมิหารสี่เราก็จนเขาทราบว่านี่เรายังเร็วมากเกินไปเพราะอะไรพ ม, มีหาเสี่อันดับต่ำเรื่อก็มีสิทธิแค่เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น ก็มีหางสีอันดับกลางหมายความว่ามีอดีตเจริญจิตทรงตัวมีความมั่นคงกระชับในความรักคนและสัตว์เสมอด้วยเราถ้าเรารักเขาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปว่าเขาจะไปติเขาจะไปเสียสีเขาจะไปแก่งแกล้งเขาอันนี้ไม่มีคนที่เรารักเราก็มีมุติตาความสงสารเมื่อเราไม่ไม่แก่งแกล้งไม่เสียสีไม่มีความไม่คิดทำลาย มีความรักก็มีจิตเกือ้อคูณจะสงคราะหมีความสุขอารมณ์ใดที่มีความบกพร่องอยู่อาคิดใดที่เขาบกพร่องเราเกือ้อคูณให้มันเต็มขึ้นมาไม่ใช่กล่าวว่าชาเสพสีเสพสีท่อาการไม่ดีกวงกับข้าวกับปลาวงไหนมีอาหารไม่สมบูรณ์บกพร่องไปเราเกือ้อคูณด้วยอาหารจะดอาการอย่างใดที่เขาบกพร่อง กิจการใดที่เขาปกค้องไม่สามารถจะทําได้เราช่วยด้ดกิจการนั้นความรู้ใดที่เขาปกครองไม่สามารถจะมีได้เราแนะ น, นํำด้วยเมตตาจิตไม่ใช่เอาอารมณ์ความเร็วสร้างความขมโขู่เข้าไปใช้และก็มีอเมตขาความวางเฉยในอาการที่ปรากฏขึ้นกับจิตอันเป็นโทษแห่งทางทุกข์ หมายความใครเขาด่าเขาว่าเขาตีเตียนคือว่าช่างมันอารมณ์สบายอารมณ์อย่างนี้ยังไม่ใช่ปัจจัยของว่านาคามีถ้าลงคำว่าช่างมันได้ก็เป็นปัจจัยของพรห ม, มโลกนี่พิ่มมีฐานสี่ที่เราจะส่งเข้ามาตั้งแต่เล็กตัแต่น้อยแต่เริ่มต้น ถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้จิตมีความรักมีความเมตตาปราณีจิตครุ่นคิดในความสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์ไม่ิจฉาไทิสยาใครวางเฉยไม่กดพุ่งกรรมเข้ามาถึงการกระทบกระทั่งเข้ามาถึงอย่างนี้เป็นอารมณ์ของลมแล้วก็ถ้ายาวเก่าวกันไปก็อยู่ในขั้นของพระโสดาบัน มีพรมีอ่านสี่ที่มีอารมณ์ละเอียดยิิงกว่านั้นก็ได้แต่มีความรักมากขึ้นโงสารมากขึ้นหวังดีมากขึ้นมีอารมณ์วางเฉยไม่หวั่นไหวมากขึ้นเป็นอภัยทานใครทำความผิดใดมีความโกรธเกิดขึ้นกระทบกระตั้งจิตใจรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าอ๋อนี่ควรให้อภัยเขา เขาทำไปได้่อยนา่าเกลยตัณหาวาทนาพุศธนกรรมบังคับเราไม่น่าจะโกรธให้อภัยแต่บางคนผู้ทาความผิดนี่เป็นปัจจัยของพระอนาคามพภาภาีพระสิทธิาคามีท่นนี้มาพระอนาคามีท่ายังไงเร่งรัฐพมิหารสีทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยางิ่งอุเบกขาตัวสำคัญที่สุด ทรงอารมณ์จิตให้มันร่วมกับสังขารุเปรย์ายานมิปเสนายานตัวสุดท้ายมีอารมณ์ร่วมกันสังขารุเปรย์ายานมีความเฉยในขันหา้าหมายความว่าขันห้ามันมีสภาพอย่างไรรู้อยู่แล้ว มันไม่มีความเกิดขึ้นมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดพังเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดารูปกระทำทั้งหมดความมีลาบเสียมลาบมียศเสียมยศินทาสนเสียมท่าทุกทุ ก, ทกรู้ตัวอยู่เสมอว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมันจะแก่ก็ชินแก่สิ มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายของที่จะบ่ายเขรักก็าหวงแหนมันพังสลายตัวลงญาติตายพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายคนรักตายของที่รักสูญหายเชื่ใบเขาเสียใจเราเฉยถือว่านี่เม็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแก้ไขกันได้ไห้ห้ามปรามไม่ได้แก้ไขไม่ได้ เรื่องอะไรก็ไปเสียใจแลกระทบใจไม่ร่มบางเฉยมีจิตสดชื่นเป็นปกติถือว่านี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตรงแล้วตรงที่พระพุทธเจ้าสอนว่าของจริงมันเป็นไปตามนี้ในร่มวาจาที่เขากล่าวให้เป็นที่ไม่พอใจนินทาเกิดขึ้นถเราคิดเรื่ออะไร นายอยากฝากเสียก็เสียไปฉันไม่ยอมเสียกับนายด้วยคำเถื่อนเกิดขึ้นไม่สนใจถือว่าถ้อยคำประเภทนี้เขหลอกให้เราเบินทาตเราไม่เอาจะไม่โกรธไม่โกรธทั้งคนเนถืรอนและไม่โกรธคนบินธาตแล้วก็ไม่ดีใจในคํำเถืเ่อนถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลลาบเกิดขึ้นถือว่าไม่ช้ามันก็หมด คนที่ร่ำรวยมากๆตายแล้วไปไหนไม่ได้ลับเสริมสลายตัวไปมันศูนไปเพราะเราต้องใช้ต้องสอยเง็นใดๆเคยขึ้นก็ตามถือเรื่องธรรมดาชาว บ, บ้านเขาหมดมาแล้วเคยหมดกัแล้วเคยหามาได้มากกว่านี้หมดมากกว่านี้ก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าชาว บ, บ้านเขาหมดมากกว่าเราก็กมีเยอะแยะไปมันของปกติธรรมดาเราก็เฉย นี่รวมความว่าใช้สังขารเพื่่ายานเฉยท่าอาการที่เข้ามากระทบกระทัางจิตในด้านข้อนโลกีวิสัยไดเฉยทั้งคำชมเฉยทั้งคำนินทาเฉยทั้งได้มาเฉยทั้งเสื่อมไปเฉยหมดไม่มีอะไรสนใจคำนินทาว่าร้ายเกิดขึ้นกระทบใจแป๊บหน่อยจ็ไปเลย จะไปช่างมันฉันไม่อยู่อารมณ์ต่างอาการต่างนี้เกิดกับร่างกายจะป่วยไข้มาสบายมันจะแก่มันจะตายช่างมันแต่การรักษาพยาบาลการบริหารร่างกายเป็นของธรรมดาคิอว่าทำํทำตามปกติถ้าเขาจะถามว่าถ้าทําจิตได้อย่างนี้ยังทบุรีไหมยังกินมากไหมยังจะต้องใช้ของที่เคยใช้กับร่างกายไหม ก็ต้องตอบว่าใช้ตามปกติเขาไม่ได้ติดร่างกายต้องการเหมือนกับคนเมื่อเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เป็นพระเจ้าแล้วยังฉันพระตาหารเรื่องอะไรที่บระสัทต้องการเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องประมงโดยบรสิสัทเพื่อเราจะเอากายไหว้ใชใ้เป็นประโยชน์เหมือนกับคนที่รงเรือรวดเพื่อหวังจะข้ามฝั่ง ในขณะใดที่ยังอาศัยเรืออยู่เมื่อน้ำมันรว ก, ก็มาแล้วก็ต้องอดมันผุตรงไหนก็ต้องทะนุโมรูซ่อ ม, มแซมไม่แค่ว่าปล่อยให้มันรั่วให้มันพังไปซึ่งกว่าเราจะขึ้นฝั่งได้เนี่ยลมใจแค่นี้กิเลสก็ยังไม่หมดปรากฏว่ามันหมดอยูแ่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นดูว่าอันนี้ถ้าทําได้ทั้งหมด ตัดการมาชันทะได้เด็กขาดตัดพฤติาะได้เด็ขาดจึงจะเป็นเพอนาอนาคามีผลยังไม่ถึงอดาดตะผลเขาให้ท่านหลายยังทบทวนกำลังใจไว้ดีมันเป็นของไม่อยากตอนนี้ไปเขาทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดล้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตมามอัธยาศัายจนกว่าจะดึงวิญญาณบอกดเวลา